ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในประเทศจีนเมืองฮั่นฟาโจอาศัยอยู่เขาเคยเป็นกองทัพของจกักรพรรดิเขามีลูกสาวรูปงามนามว่ามู่หลานมู่หลานชอบชุดเกราะของพ่อมากมู่หลานชอบใส่ชุดเกราะของพ่อแล้วจ้องมองตัวเองในกระจกโอ้โมู่หลานไม่หลอกทำอะไรอยู่เนี่ยท่านพ่อทำไมข้าเป็นนักรบเหมือนท่านไม่ได้ละ่ะ ลูกพ่อผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ากองทัพหน้าที่ของผู้หญิงก็คืออยู่ดูแลบ้านมันปลอดภัยกว่าแต่ว่าผู้หญิงก็สามารถต่อสู้ได้ดีเท่าผู้ชายนะคะพ่อพ่อรู้แต่ท่านแม่ทัพไม่มีทางยอมให้ผู้หญิงไปร่วมรบแน่นอนวันหนึ่งจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์ั่นรู้เขาว่าพวกหันจะบุกโจมตีกองทัพทหารมีแม่ทัโพโหดร้ายเือดเย็นนามว่าชานอยู่ ผู้สิงดงการยึดค <c oughs> รองแผ่นดนองทัพทหารของเรามีไม่มากพอข้าต้องการให้แต่ละครอบครัวส่งตัวแทนมาหนึ่งคนเพื่อสู่รบในสงครามครั้งนี้พ้นยิ่งมากก็ยิ่งดีไม่นานชาวบ้านก็รู้ข่าวแต่ละบ้านส่งตัวแทนไปฝึกบนเขากับท่านแม่ทัพแต่ที่บ้านของมู่หลานกับเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝัน <c oughs> นี่เป็นคำสั่งของท่านจักรพรรดิแต่ท่านไม่สบายท่านจะไปสู้รบได้ยังไงกัน <c oughs> เรื่องนั้นไม่สำคัญบ้านเมืองต้องการข้าพรุ่งนี้ข้าจะออกเดินทางไม่ท่านพ่อไม่สบายอยู่ทางบนเขามันอันตรายมากท่านพ่ออาจไปไม่ถึงฐานทัพได้บ้านเมืองกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่ข้ายัไม่ท่านพ่อเป็นอะไรไปไม่ได้มู่หลานไม่ยอมแพ้ ข้ารู้แล้วว่าต้องทำยังไงข้าจะไปฝึกที่ภูเขาข้าจะสู้เพื่อบ้านเมืองกําจัดพวกหันให้สิ้นเลยท่านพ่อข้าขอโทษ ด, ด้วยท่านพ่อข้ารู้ว่าท่านจะโกรธมากแต่ว่าข้าสูญเสียท่านไปไม่ได้และบ้านเมืองด้วยได้โปรดยกโทษให้ข้าที่ไม่เชื่อฟังท่านแต่ข้าต้องออกไปต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ และนั่นคือสิ่งที่ขาจะทํามู ล, ลานุเคราะหอาหารออกเดินทางไปพบท่านแม่ทัพมู ล, ลานรู้ดีว่าผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ากองทัพแต่ว่ามูลหลานรู้ว่าจะต้องทําเพื่อพ่อและบ้านเมืองอันเป็นที่รักตอนนี้มู ล, ลานไม่สนว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมูลหลานรู้เพียงว่าเธอคือนักราเจ้าน่ยบอกว่าเจ้าน่ยชื่อเชงใช่ไหมความสามารถในการสู้รบของเจ้าเป็นยังไง ใช่แล้วท่านแม่ทัพข้าชื่อเชงความสามารถในการต่อสู้รบของข้าอาจไม่ไดีเท่าทหารท่านอื่นแต่ว่าข้าเชื่อว่าข้านั้นจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเลยข้าชอบที่เจ้ามีความตั้งใจเชงเริ่มฝึกพรุ่งนี้ได้เลยมู่หลานตั้งใจแข็งแรงและมีไหวพริบมู่หลานตั้งใจฝึกฝนลีลาการใช้ดาบมู่หลานเรียนรู้ไวขณะที่ทุกคนนั่งพัก มู่หลานฝึกฝนต่อไม่นานมู่หลานก็ได้รับการยอมรับเป็นทหารเพื่อนทหารชอบที่มู่หลานมีความมั่นใจและรักชาติแต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่ประทับใจในตัวของมู่หลานมู่ชูมังกรผู้พิทักษ์นั่นเองบําพะุรุษของมู่หลานส่งมู่ชูมาช่วยขณะที่มู่หลานกำลังออกจากบ้านไปแม่ของเธอเห็นเข้า ด้วยความกลัวแม่จึงไหว้ขอบัมพับุรุษโอ้ได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองลูกข้าด้วยไม่ต้งห่วงมู่หลานเป็นคนกล้าหาญมีจิตใจที่งดงามมู่สูมังกรผู้พิทักษ์จะปกป้องดูแลนางเองตั้งแต่นั้นมามู่ชูก็ตามดูแลมู่หลานมู่หลานไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีมังกรผู้พิทักษ์ แต่มูชูไม่เคยละสายตาเลยเอ้รู้สิว่านางมีพรสวรรค์ขนาดไหนนางคนได้โอกาสแสดงฝีมือบ้างนะมูชูตัดสินใจเขียนสารปลอมส่งให้หลี่ชาดออกมุ่งหน้าไปยังเขาพวกหั้นบุกโจมตีเมืองแล้วเราได้รับคำสั่งให้ไปบุกทำลายกองกำลังของพวกมันบนเขากองทัพทหารมุ่งหน้าไปยังเขาโดยไม่รู้เลยว่ากาลังตัดสินใจผิด พวกหันยังไม่ได้โจมตีเมืองพวกหันหลบอยู่บนเขาเฝ้ารอให้กองทัจพจักรพรรดิพลาดทา่าพวกหันเข้าจู่โจมทหารซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าทหารสู้และสู้ไม่ได้แล้วทันใดนั้นเดี๋ยวก่อนเขาคิดออกแล้วมู่หลานยิงปืนใหญ่ลูกสุดท้ายไประหว่างภูเขาทำให้หิมะหลทัพพวกหันจนจมอยู่ในกองหิมะ เย่เย่เราชนะแล้วโอ้โหเย่ huh. yeah, yeah, เราชนะแล้วเย yeah, เราชนะแล้วแรงของปืนใหญ่ทำให้มู่หลาน ล, ล้มลงทุกคนเข้ามามุงดูทหารคนหนึ่งพยายามพยุงมู่หลานขึ้นมาแต่หมวกของนั่งหล่นลงลมพัดผมยาวของมู่หลานโอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยว่าเชงนะ่ผมยาวขนาดนี้อ๋ะหมวกของข้าไปไหนแล้วหมวกข้าล่ะ เกิดอะไรขึ้นกับเสียงของเจ้าเนี่ยเจ้าเจ็บคเหรอเดี๋ยวเจ้าไม่ใช่เชงเจ้าไม่ใช่ผู้ชายเจ้าเป็นผู้หญิงบอกมาว่าเจ้าเป็นใครเอ้อท่านแม่ทัพข้าขอโทษด้วยข้าไม่ใช่ไ่สึกข้าชื่อฟ้ามหลานเป็นลูกสาวของฟ้าโจพ่อข้าไม่สบายข้าไม่อยากให้พ่อป่วยหนักกว่าเดิมข้ารักบ้านเมือง และข้าเป็นผู้หญิงไม่สามารถเข้าร่วมกองทัพได้ข้าจึงปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อออกรบข้าไม่ได้คิดร้ายอะไรเลยแต่ว่าเจ้านะ่ะทำผิดเจ้าหลอกพวกเราในเมื่อเจ้าช่วยเราเอาชนะพวกหัน่นข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้านะ่ะจะร่วมทัพกับเราไม่ได้กลับบ้านไปเดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องกลับมาอีกมูหลานเศร้าเสียใจมูชูตามมูหลานกลับไปขณะที่เดินทางกลับ มู่หลานได้ยินเสียงบางอย่างเธอจึงเดินตามเสียงนั้นไปโอ้ไม่นะพวกฮันพวกมันยังไม่ตายไม่นะพวกมันจะเข้าจจมตีเมืองข้าจะต้องไปเตือนท่านแม่ทัพมู่หลานรีบไปหาหลี่ชานท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพเธอกล้าได้ยังไงถึงได้กลับมาท่านแม่ทัพพวกฮันยังไม่ตาย พวกมันกำลังจะเข้าเมืองท่านจั ก, กรพรรดิกำลังตกอยู่ในอันตรายทำไมข้าจะไปต้องเชื่อเจ้าเหรกลับไปไม่ได้โปรดเชื่อข้าเขาจะทำยังไงดีไม่ข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะต้องปกป้องท่านจั ก, กรพรรดิและบ้านเมืองของข้ามูหลานจะหยุดพวกหันด้วยตัวเธอเองมูหลานออกเดินทางเข้าเมืองในขณะเดียวกัน ข้าต้องเชื่อเชิงด้วยละ่ะหมายถึงมู่หลานแต่นางช่วยทหารของข้าเอาไว้และแถมยังใช้ดาบเก่งอีกด้วยถ้านางพูดความจริงละ่ะท่านจักรพรรดิของตกอยู่ในอันตรายข้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปไม่ได้ข้าต้องพาทหารไปที่เมืองโดยด่วนมู่หลานออกเดินทางเพื่อปกป้องบ้านเมืองและท่านจักรพรรดิจากน้ำมือของพวกหัน กองทัจกกพจักรพรรดิก็เช่นเดียวกันขณะที่มู่หลานเข้าเมืองมูหลานเห็นพวกหันผ่านเข้าประตูไปแล้วไม่แปลว่าทันอยู่ของเข้าพระราชวังไปแล้วเขาต้องไปช่วยท่านจากักรพรรดิมูหลานรีบเข้าไปในพระราชวังและพบว่าท่านจากักรพรรดิถูกจับตัวไปแล้วไม่เขาจะทำยังไงดี เ, เดี๋ยวก่อนข้านึกออกแล้วโอ้ท่านชันอยู่ผู้ยิ่งใหญ่ ขดใจทีย่ยังเห็นท่านมีชีวิตอยู่นะนี่เจ้าหมายความว่ายังไงกันเนี่ยไม่มีใครทำอะไรข่าด้หรกแม่สาวน้อยข้าก็บอกเขาแบบนั้นแต่เขาก็ยังหัวเราะแล้วก็พูดว่าท่านน่ะสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วท่านนี่เดียวมันเป็นใครเชงเช้งล่ะเชงคือใครก็คือทหารกองทัพของจั ก, กรพรรดิ คนที่ถมทหารท่านในกองหิมะบนภูเขายังไงล่ะโอ้ทหารตัวเล็กๆใช่ใช่เขายังบอกอีกว่าท่านน่ะยังไม่ตายเขาก็จะกำจัดท่านด้วยมือของเขาเองเลยล่ะแต่เขาไม่รู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เขาอยู่เบื้องหลังข้าตามข้ามาเถอะจะได้ทิ้งลงมือก่อนง่ยอืมเป็นความคิดที่ดีทหารกรมตัวจักรพรรดิไว้ให้ดีดี ดูสิว่าเชงนี่เกงแค่ไหนกันชันอยู่ตามู่หลานไปบนหลังคา<อ>ทัานใดนั้นู้หลานก็ผลักชานอยู่จากด้านหลังและชักดาบออกมา<อ>ไหนล่ะเชงอยู่ไหนเราเจ้าถือดาบทำไมเชงคนที่ฝังทหารท่านในกองหิมะยังอยู่ตรงหน้านิ่งง่าันอยู่กล้าได้ยังไงมาบุกรุกบ้านของข้ากาจะฆ่าเจ้าตรงนี้ล่ะ ผู้หญิงเหรอทำไมกลัวพาอข้าเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอไม่ต้องกลัวข้ามีอออมือให้รงหน้าปากดีนักนะท่านอยู่พ่ายแพ้มูลานรีบลงจากหลังคาเพื่อไปช่วยท่านจักรพรรดิแต่กลับพบว่าท่านแม้ทัพหลีชท่าน ท่านแม่ทับหลีชานและกองทัพทหารได้ช่วยท่านจากักรพรรดิเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ได้รู้ว่าฉันอยู่เสียชีวิตแล้วพวกหันถูกจับกลุ่มอยู่ในคุกชาวบ้านต่างมีความสุขดื่มฉลองเพื่อชัยชนะชาวจีนหันปลื้มในความกล้าหาญของนักรบนำว่าฟามูหลานมูหลานได้รับโล่กองทัจพจักรพรรดิผู้กล้ามูหลานขอบคุณท่านจากักรพรรดิและเดินทางกลับบ้าน และกลับไปหาครอบครัวของเธอโอ้หมู่หลานเราดีใจที่ลูกปลอดภัยทําให้พ่อแม่ตกใจแถบใยญ่เอ้ท่านพ่ อ, อยังทนมันด้วยลูกพ่อเจ้าทําให้พ่อแม่ภูมิใจเหลือเกินข้าภูมิจะนตัวเจ้าเช่นกันอะไรนะเจ้าเป็นใครกันข้าคือมังกรผู้พิทักข้าจะคอยดูแลผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองเจ้าได้แสดงความกล้าหาญและความรักที่มีต่อพ่อและบ้านเมือง เจ้าคือนักรบยังแท้จริงเจ้าทำให้เห็นว่าผู้หญิงจะทำอะไรก็ได้ถ้าตั้งใจใช่พ่อผมจะในตัวลูกสาวของพ่อมาก